ข่าวแล้วนะว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะเกิดไฟไหม้ใหญ่ไฟไหม้ใหญ่ที่ผูหลงก่อนนั้นนั้นก็มีไหม้นะเมื่อต้นเดือนที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าไหมรอบนอกนะตรงภูสามชั้นซึ่งอยู่ติด ก, กับภูหลงแต่ว่าทางชาวบ้านกับทางพระก็ช่วยกันไม่ให้อข้ามห้วยนะเข้ามาในเขตป่าของวัดได้แต่ว่าพื้นที่ที่ทางวัดปลูกป่า เพราะว่าภูสามชั้ น, นก็เป็นบริเวณที่วัดดูแลด้วยเนี่ยรวมทั้งพื้นที่วัดเองเนี่ยที่มีการทําแปลงปลูกป่ามาสิบปีก็โดนไหม้ไปก็เสียหายเยอะนะประมาณพันไร่ได้แต่ก็ไม่หนักหนาเท่ากับการไหม้เมื่อครั้งหลังนะก็คือเมื่อกลางเดือนที่แล้วเอาทีแร้ก็คิดว่าไหม้สักประมาณพันห้าร้อยไร่อันนั้นคือประมาณการตอนที่ยังยังเพิ่งไหม้ เพิ่งดับใหม่ๆแต่ว่าหลังจากที่ไปดูนะไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรวก็รู้สึกว่าความเสียหายมันมากกว่าที่คิดเอาไว้นะผู้ลงมินเนอร์ที่ประมาณสา0พัน้าร้อยไร่เนี่ยคิดว่า ป, ป่าถูกทำลายเพราะไฟครั้งนี้สองในสามนะก็คืออย่างต่ำก็สองพันไร่แล้วก็ถ้ารวมกับของเดิมที่ถูกไฟไหม้เมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่ก็สามพันกว่าไร่ ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดนะอาจจะเท่าที่เคยมีมาก็ได้นะเนื่องกของผู้หลงจริงๆไฟมันคงจะไม่แรงเท่านี้ถ้าเกิดว่าอธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปตามฤดูกาลเพราะว่าปกติเนี่ยพอถึงสงกรานเนี่ยหรือว่าเข้าเดือนเมษาเนี่ยฝนก็ตกแล้วไฟไม่ค่อยเกิดในช่วงเดือนเมษาเท่าไหร่มันมันจะเกิดประมาณกุมภามีนาพอถึงเมษาเนี่ก็ เป็นนั้นว่าสบายใจละนะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีไฟเข้ามาบ้างนะช่วงเดือนมีนากรุณาแต่ว่าเป็นหย่มยมอมๆพูดได้ว่าไม่มีไฟใหญ่ๆนี่เข้ามาในวัดนี้เข้ามาในภูหลงประมาณสิบสองปีได้ละไอการที่มีไฟเข้ามาในภูหลงเนี่ยนะมันก็มีข้อเสียนะก็ทําให้เชื้อไฟเนี่ยมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเชื้อไฟนี่คืออะไรก็คือใบไม้แห้ง ยาแห้งหรือข้ยาผงเนี่ยพอไฟไหม้ๆหมเนี่ยมันก็กลายเป็นเชื้อสะสมส0บปีคิดดูนะมันจะสะสมได้หนาแค่ไหนนะพอไฟไหม้พื้นที่เดยมก็แรงมากความแรงของไฟนี่ก็สามารถจะเผาผ่านต้นไม้ที่เขียวๆนี่ให้กลายเป็นดำเป็นตอตะ โ, โกได้แถมกลายเป็นเชื้อไฟต่างหากตอนนี้ก็เรียกว่างานเฉพาะหน้าคือว่าฟื้นฟูป่า ไม่มีเวลาจะมาเสียใจไม่มีเวลาจะมาท้อแท้เพราะว่ามีงานที่ต้องทำอีกเยอะเฉพาะหน้าที่ต้องทำก็คือสู้กับยาคา่าตอนนี้ยาเมันกาลังขึ้นนะแล้วก็ขึ้นเร็วมากถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้มันเจริญ ง, งอกงามนี่ก็ปีหน้าก็จะกลายเป็นเชื้อไฟสำหรับไฟปา่าครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กาลังนะที่จะ เรงทําโครงการอย่างนี้คือว่าการนะการปลูกถั่วให้มันคลุมดินเพื่อไม่ให้ยาคาได้เจริญงอกงามหรือว่าเกิด ถ, ถั่วนี้มันโตเร็วนะแต่มันก็สู้ยาคาไม่ได้นะพูดถึงความเจริญเติบโตของมันแต่ก็เร็วกว่าพืชชนิดอื่นละก็ เ, เลยตั้งใจว่าเนี่ยประมาณที่ยี่สิบเอดยี่สิบสองเนี่ยจะระดมคนไปไปหวานนะหวานถั่วเลย หวานทั่วให้ทั่วทั้งภูเลยตั้งชื่อของการนี้ว่าหวานทั่วทั่วภูฟื้นฟูป่าภูหลงปกติเนี่ย น, นะถ้ายาคามันมีอนาบริเวณประมาณสักสิบไร่เนี่ยก็คงใช้วิธีหยอดไ ด, อด้ใช้วิธีหยอดใช้วิธีเหยียบแต่ว่านี่มันเป็นพันไร่นะสามพันไร่นะแต่ใช้วิธีหยอดทีละทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยคงจะไม่ไหวก็ต้องใช้วิธีหวานนะหวานบ้าง และเหยียบบ้างนะแล้วก็หยอดบ้างก็เลยนะต้องใช้วิธีแบบนี้แหละตอนนี้ก็กำลังเตรียมระดมคนแล้วก็ระดมถั่วอยู่นะถั่วนี้ก็ต้องได้สมมาสักห้าตันนะห้าตันคือห้าพันกิโลนะอน้อยกว่า น, นั้นก็คงจะไม่ทั่วภูคนก็คงจะมาสักี่ห้าร้อยคนนะต้องระดมกันนะก็เลยนะกำลังจะประชาสัมพันธ์นะให้ช่วยกันมานะเป็นจิตอาสา มามาหวานทัวร์กันทั้งเรียกว่าสามแปลงใหญ่ๆนะสามแปลงใหญ่ๆเนื้อที่แต่และแปลงก็ประมาณพันก่ไอไร่ใครที่จะมาเนี่ยนะก็ให้ให้เตรียมตัวกันมาเองนะเตรียมเต็นต์มานะเตรียมรองเท้ายางนะเตรียมเสื้อแขนยาวมาเพราะว่าเวลาจะไปหวานเนี่ยมันต้องบางทีก็ต้องเจอไม้เจอหนามนะ เจอต้นที่มันยังยืนยืนตายอยู่นะมันเป็นสภาพป่าที่ไม่ใช่ว่าจะเตียนโล่งไปหมดนะมันยังมีต้นไม้เล็กๆมีหนามมีอะไรเกาะเกี่ยวอยู่เป็นบางช่วงตอนนี้ก็กาลังระดมคนตามสายต่างๆนะชายภูม้างแกลงคอบางกรุงเทพบางนะอันนี้ถ้าญาติโยมที่ไหนสนใจนะทั้งที่ชาววัดที่สุขโตหรือว่าที่อยู่ที่ไกลเนี่ยก็เชิญชวนได้ แต่ว่าไปมันก็ง่ายกว่าการปลูกต้นไม้นะง่ายกว่าการปลูกป่านะพระว่ปลูกป่านี่บางคนปลูกไม่เป็นเอาต้นไม้หลงแล้วก็ตายนะแต่ว่าหวาเนี่ยนะมันง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะถึงแม้ว่าจะมีการหยอดบางเหยียบบางแต่ว่าอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าต้องสะพายนะต้องสะพายถั่วคนละห้ากิโลบางช่วงก็ต้องขึ้นเขานะนะบางช่วงก็ต้องขึ้นเขา แล้วก็เดินกันเนี่ยไปกับนี่เที่ยวนึ่งก็คงจะประมาณสักเจ็ดกิโลมั้งอากาศจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะร้อนอ้าวหรือว่าจะมีพายุหรือฝนเพตอะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปนี่ก็เลยว่าต้องเตรียมตัวพร้อมในทุกสถานการณ์นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการมามีส่วนร่วมนะในการฟื้นฟูป่าไฟไหม้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะก็มีคนเขามีความตื่นตัวสนใจมาก ก็น่าประทับใจนะั้นหลายคนนี่ก็อุตส่าห์ขับรถจากกรุงเทพมานะบางคนมาจากหัวหินมาทําไมนะมาถวายเงินมาถวายเงินเสร็จก็ต้องรีบกลับนะก็นาวานานับถือมากนะเพราะว่าอุตส่าห์ขับรถกันมาหกเจดชั่วโมงนะขาเดียวนะเที่ยวเดียวนะเดี๋ยวก็กลับไปบางคนก็ไม่ได้พาไม่ได้มาถวายเงินอย่างเดียวนะเอาน้ําเอาสเบียงเอาเครื่องดับไฟมา หลายคนก็ไม่เคยรู้จักภูหลงนะแต่ได้ข่าวก็มีความรู้สึกอนาถรร้อนใจแล้วก็อยากจะมาช่วยนะบางหลายนี้ก็อุตส่าห์ไปสั่งน้ำนะสั่งน้ำนะขนมาเป็นรถเลยนะ6ล้อมาถวายทางวัดตรงทา้ไม่มีที่เก็บต้องมาต้องมากระจายมาไว้ที่นี้บางนะแต่น้ำพวกนี้นี่คงจะได้ใช้แน่นะยีบ่บยีบสองเนะี่ยถ้าคนมากัน สี่ห้าร้อยคนนะก็คงจะได้ใช้แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาขยะอย่างที่ว่านะคนก็มีความเอ่อเกื้อเฟื้อเกื้ อ, ก, อ, ก, อกูลมากนะหลายคนก็มาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหามาช่วยดับไฟแต่บางทีก็มีนะมีบางคนที่มาเพื่อที่จะปัดปัญหาปัดว่าไม่ใช่ปัญหาของฉันหรือปัดว่าฉันได้มาดูแล้วนะ แล้วก็กลับไปรายงานว่าได้มาดูแล้วสาหการเรียบร้อยดีไฟถูกทำลายไม่มากนะไม่กี่ร้อยไล่นะแบบนี้ก็มีนะอันนี้เรามาเพื่อปัดปัญหาให้พ้นตัวแต่ว่าคนจำนวนมากกว่านั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าดับไฟนี่มันแค่แค่จุด เ, เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะดับไฟเสร็จยังมีอะไรต้องตามมาอีกเยอะนะเช่นตอนนี้ก็ต้องนะสู้กับยาคาแล้วนะ จะสู้ยังไงนะบางคนบอกทำไมไม่ฉีดยาฆ่ายาซะเลยนะอันนั้นมไม่ใช่วิสัยของชาวภูหลงนะทำอย่างนั้นมันก็ทำลายสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนฉีดด้วยเราต้องใช้วิธีการธรรมชาตินะก็คือใช้ถั่วนี่แหละใช้ถั่วเนี่ยคลุมดินพอคลุมดินแล้วเนี่ยยาขามก็ขึ้นยาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่ไหนนะเพราะว่าวานถั่วลงไปเดี๋ยวมดก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวนกก็มา นะเปอร์เซ็น์ที่มันจะรอดกลายเป็นต้นกล้านี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าดีกว่าไม่ทำนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาสัมพันไวแล้วก็เชิญชวนแต่ถ้าจะมานี่ก็มาด้วยความพร้อมนะมาแล้วอย่าเป็นอย่าให้เป็นภาระ ก, กับคนอื่นนะต้องพร้อมที่จะช่วยตัวเองได้เอาเต็นต์มากันเองนะแล้วก็จานช้อนแก้วน้ําก็เอามากันเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาขยะนะ ใช้ชามใช้ชามโฟมเชาะใช้ชามที่เป็นโฟมใช้เอแก้วน้ําโฟมนี่มันมันจะเป็นภาระมากกว่สิ่งที่ล้อมนันจะมาปลูกป่าแล้วนี่ก็อย่าไปสร้างมลภาวะเพราะนั้นในต้องช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดรวมทั้งการมาก็มากันเองด้วยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ใครที่สนใจนะก็มาสมัครนะต้องสมัครล่วงหน้านะติดต่อสมัครได้ตัวเองทางเว็บไซต์นะไม่ใช่มาเลยเนี่ยเพราะถ้ามาเลยนี่เดี๋ยวมาเกินจนํานวนแล้วนี่ มันก็มีปัญหาการจัดการอาหารไม่พอที่พักไม่พอที่สำคัญคือน้ําไม่พอเพราะว่าต้องคงจะต้องพักที่โรงโรงเรียนและโรงเรียนก็ไม่รู้จะมีน้ําแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาแบบวิบากแต่หลายคนชอบนะยิ่งวิบากยิ่งดีนะก็เป็นการปฏิบัติทําไปในตัวด้วยแล้วก็เตรียมรับพร